เรานั่งขวาทับซ้าย น, นี่เป็นแบบอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เรานั่งแบบนี้พอเราทําไปทําไปทําไปใจของเราสงบอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างและใจสงบอันนั้นเป็นพุทโธเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานอันนั้นไม่ใช่เป็นแบบอย่างอันนั้นเป็นเนื้อหาแท้ๆของงานที่เราทำํำเราตั้งใจทาําวนา เอาสติเป็นหลักในการกําหนดพุดโทโธพุโทโธคำว่าสติก็คือความรู้หรือผู้รู้ที่ตื่นโรู้โดยเฉพาะนั้นเรียกว่าสติระนึกได้ทุกขณะหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโ ท, ร ห, ห, ออกโทรหรือเราจะดูจะลมอย่างเดียวก็ได้ ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแต่มันสู้เราํากับด้วยพุโทโธไม่ได้หรือเราว่าจะพุโทโธอย่างเดียวทียิบก็ได้โพจิตกับสติพูมสติกับจิตอารมณ์อารมณ์มเหมือนหลักเหมือนต่อสติเหมือนเชือกเชือกคลายข้างหนึ่งรู ก, กับต่อ ปลายอีกข้างหนึ่งผูกกับจิตมีสติเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวสัมพันธ์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตื่นตัวรู้ตัวตลอดทุกระยะไม่ให้มันขาดไม่ให้มันขาดความรู้สึกถ้าขาดความรู้สึกเมื่อไหร่เดี๋ยวปัญหาปัญหามันสวงรอนปัญหามันสวงรอยแล้วมันความนึกไปเรื่องไปอย่างนั้นละลืมพุทโธไปแล้ะ มิเตื่องอะไรแบบปัญหาสรารพัดที่มันจะพาไม่ไปรองเราทําให้ขาดปั๊บมันจะไม่อยูกับที่หรอกถ้าเราขาดสติปั๊บขาดสติจักหยิดหรือขาดหลักขาดตอนปลายปลายเชือกทั้งสองปลายปลายเชือกทั้งสองปลายสมมุตินะที่เราผูกที่เราผูกจิตกับอารมณ์ เมื่อเชือกข้างหนึ่งหลุดออกจากหลุดหลุดออกจากอารมณ์จิตมันก็ไปได้มันไปทั้งเชือกเหมือนเกหมือนควายเหมืนอนวดที่ที่เชื อ, อกที่ข้างหนึ่งมันคาดมันก็มีเชือกติดไปด้วยหรือไม่ก็เชือกอีกพรข้างหนึ่งหนึ่งมันหลุดจากจิตเชือกยังติดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธ แต่ว่าจิตมันหลุดออกไปแล้วมันจะลุกข้างไหนมันก็ไปไปทั้งนั้นมันไปได้ทา้งนั้นควอมสำคัญที่สุดคือไม่ให้มันหลุดเอาอะไรประคองเอาสติเอาสามัญชัญญานี่แหละประคองผูกมัดกับหลักกับต่อคือพุทโธพุทโธพุทโธแบบอย่างอย่างนี้ค้าเที่ว่าเป็นแบบอย่างคือมัดจิตให้จิตสงบเอาความภาคความเพียร เอาความกําหนดจดจ่อดูร้อยจนจิตสงบสงบไปเรยสงบไปเรืยสงบไปสงบจนอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันเชื่องมันชินอยู่กับคําว่าพุทโธมันไม่โดดไม่ดิ้นไม่ออกไปที่อื่นนี่คือจิตจะเริ่มสงบจิตจะเริ่มมีวิตกจะเริ่มมีวิจารณ์นานหนักเข้าไปสักหน่อยจิตจะเริ่มตื่นเริ่มมีความสุข ก็มีความเตบอิ่มบางทีมันเอิบอิ่มจนมันทิ้งคําว่าพุทโธพุทโธจิตก็ไม่ไปไหนทิ้งคําว่าพุทโธพุทโธหมายความว่าคุณไม่ว่าเชื่อกข้างหนึ่งมันจะหลุดจากหลักที่เรามัดเอาไว้คลายหรไปวัวตัวนั้นมันก็ไม่ไปไหนมันเชื่อมมันชินอยู่แล้วมันก็หากินอยู่ตรงนั้นอยู่แถวนั้นแหละจิตมันไม่ไปไหนเพรามันอิ่เราให้มันกิ่มจนอิ่มแล้ ถึงแม้เชื่อเชี่ยวกจะขาดมันก็ไม่ไปไหนเพราะมันอิ่มแล้วมันไม่หิวมันไม่หิวข้าวหรืน้ํามันไม่หิวมันไม่โดดยื่นไปนู่นไปนี่ไอ้ที่มันไม่อยู่มันโดดยื่นไปนู่นไปนี่เพราะว่ามันหิวจิตของเราก็หิวเช่นเดียวกันไม่ใช่หิวข้าวหิวน้ําแต่มันหิวอารมณ์อารมณ์ที่เราจับให้ใส่นั้นเราบังคับให้มันอยู่แต่อารมณ์มันชอบนึกที่ไปตามใจชอบของมันนั่นตามพลังของตัณหามันก้อนให้ พลังอันนั้นกระแสนั้นเป็นกระแสของกิเลสที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาพร้อมกับจิตของผู้รู้ของเราเราไม่ทราบมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตั้มตอนไหนเมื่อไหรแต่หากสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาตัวของมันมาดีเรามาดูอีกอย่างหนึ่งว่าภพชาติของเรามันก็มีการพัฒนาแต่ภพชาตินั้นมันมีการพัฒนาไปด้วยกรรมยุคใดสมัยใดการใดเวลาใด พบใดชาติใดที่เราสร้างขึนองความดียิ่งเราพัฒนาไปสู่หนทางที่ดีพบใดชาติใดที่เราสร้างความไม่ดีความไม่ดีมันก็กดร้า้ตกให่ต่ําอันนี้คือการพัฒนาแค่ไหพัฒนาเพื่อเจริญและพัฒนาเพื่อเสือ่อมเพศนาพัฒนาไปตามอำนาจของธรรมทําให้จิตเจริญพัฒนาไปตามอำนาจของเจเลตทําให้จิตเสือเส่อมเสื่อมจนถึงขั้นว่าไม่มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ จิตดวงนี้ไปได้อัตภาพเป็นสัตว์ได้ตัวเป็นควายเป็นวัวเป็นชุนนาเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นงูเนี่ยเป็นช้างเป็นม้าจิตดวงนี้สามารถสับเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้หมดเพราะคุณสมบัติจะเป็นมนุษย์มันไม่มันตกจากสมบัติของความเป็นมนุษย์ขึ้นเป็นมนุษย์ไม่ได้มันก็ไปเป็นสัตว์อะไรฉันแต่ถ้าจิตดวงเดียวนี่ สับไปสับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิ่งที่ทำให้จิตของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ส, มสูงสูงต่ำต่ำนั้นคือพฤติกรรมของเราเองการกระทำของเราเองเราทำดีมากๆจิตของเราก็าละเอียดก็ะนีขึ้นพบชาติของเราก็าละเอียดก็ะนีขึ้นอัตภาพของเราเราก็ได้อัตภาพที่ละเอียดก็นีขึ้นมื่อีเกินมนุษย์ไปไปเป็นทเทวดา เรามีตัวมีโจรที่ละเอียดเป็นของทิพยไป ห, หมดของอยู่กับทิพอะไรกับทิพคําว่าทิพคือมันละเหียดอะไรไม่รู้บางคนนี้ไปขุดขึ้นเลยนะไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปแช่อยู่ในท้องแม่ไม่ต้องไปเกิอดอาศัยจากท่านพ่อท่านแม่ประกอบกันไม่จำเป็นขเขาจะเกิดตามอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นพ่อมีกรรมเป็นแม่เกิดเกิดจากเดริชาอ ก็เป็นศัตริษานี่ก็ยังมีพ่อมีแม่นะที่อยู่อยู่ร่วมครอบครูกับเราแ <c> ต <oughs> ่ถ้าไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นจักรนรกไปไปฝุดเกิดเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่กรรมเป็นพ่อกรรมเป็นแม่ไปเป็นเทวดาก็ไม่มีไม่มีพ่อไม่มีแม่อาศัยกรรมเป็นพ่ออธิษกรรมเป็นแม่เป็นเทวดาสวรรค์หกชั้นหลังจารุมดาวนงยามาชั้นดุสิต ทั้มีมาลดีทั้งปริมิโตสวดีหกชั้นทั้งหกชั้นบริโภคกามยินยินเปลินใจกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสสิ่งที่บริโภคท้ายสอยก็เป็นของชิ้นคืละเอียดนี่กว่าเมืองมนุษย์เราแต่ถ้าละเอียดขึ้นไปมากกว่านั้นอีกเป็นพวกพวกลมกลมนี้เ้ามี เขามีอารมณ์ที่เป็นธรรมเขามีความสุขกับอารมณ์อารมณ์พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรืออารมณ์ยังไงก็ตามแต่ตามที่เขาเภาวนาแล้วจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ได้ฌานแล้วไปเกิดบนบนสมมครโลกเขเรียกรว่าสมมโลกสมมโลกมีความสุขอยู่บนนั้นอายุยืนกว่าโคกสวรรค์6ชั้นมีความสุขมากกว่า จิตไม่ต้องไปกระดุ ก, กระดิกพลิกแปลงวิ่งไล่ตามจับอารมณ์เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมีความสุขกัการตั้นชื่อขึ้ น, ข, น, ข, น, ข, นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราทําให้ภพชาติของเราสูงสูงตำ่ำต่เราพูดได้ว่าการสูงการต่าของภพของชาติของเรานี่แหละคือการพัฒนาของจิตพัฒนาเพื่อเสื่อมและพัฒนาเพื่อเจริญ พัฒนาเพื่อทุกแล้วก็พัฒนาเพื่อสุขมันมีการพัฒน า, า ต, ตัวมันเองทีนี้ผู้รู้ของเราตี่กับตีกันกีปูเรชาติมาแล้วเกิดขึ้นอะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้มีวิญญาณคลอบางชาติบางชาติก็ไปเกิดในปัณจโวการมเป็อย่างมนุษย์เนี่ยมี รูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมี ย, ยัญญามซึ่งจะขาดการห้าที่ผู้รู้เรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกาะเกียวเมื่ออย่างพวกเราเนี้เรามัาเกิดในฐานห้ามีฐานห้าเกิดในปันตัวการแล้วสัตสัตบางชนพวกก็เกิดเอกวการมีอาการอั้นเดียวมีแต่รูปไม่มีนามแลสัตว์บางชนพวกก็เกิดใน จะตุกวการมีอาการสี่เวทนาสัญญาฉังขานวิญญาณมีตนามมาทำไม่มีรูปประทับแต่ทั้งสองทั้งเกิดแต่รูปไม่มีนามเกิดแต่นามไม่มีรูปพวกนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณาในการในองค์ฌานผิดไม่เป็นประกา ร, รหลักอนิจจทุกขังอนัตตาเกิดความเบือนอเบือนหายในรูป ว่าโอ้ทุกหนีเราทุกเราทุกพระรูปนี่เองเจริญฌานมื่อเหตุที่เรามีรูปนี่เองมันเป็นของหยาบไม่นใช่ของละเอียดทําให้เราได้รับความสุขได้รับความสมบยากและเกินเลยเบื่อหน่ายเบื่อหนายเบื่อนายเห็นว่ารูปอื่นมันเป็นของหยาบทําให้เราเข้าถึงความละเอียดไม่ได้เลยไม่มีรูปมีเจีนาม และบางอย่พวกโอ้ยดนเหตุที่เรามีน้ำนี่แหละจึงเป็นเหตุเราวุ่นวายยุ่งยากแลยมีแต่รูปไม่มีน้ำเนี่ยวั น, นี้ภาวนาถึงขั้นวันจิตเลยรับความสงบนู่นพวกที่ได้รามสี่นั่นน่ะที่นี่เกิดในเนี่ยในเกิดเอกวการจัตุวการอย่างพวกเราในโลกมนุษย์เราเปัญจวการมีคือการพัฒนา ภพภูมิของเรามันมีการพัฒนาไปอ ย, อย่างนี้เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าหลังจากพรงได้ทรงปรัสรู้แล้วเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเราและสอนวิธีการดำเนินเพื่อให้เราออกออกจากชานสมาบัติเหล่านั้นด้ว ย, ยวิปัสสนาพุทธเจ้าพวกพระมบรรพุพรามทั้งหลายเขาเจริญฌานเจริญสมาบัติ ถึงั้นรูปปัสมบัติอารูปสมบัติแต่เขาก็ยึดนั่นแหละยึดรูปปัสมะบัติยึดอารูปสมบัติเขาไม่ได้พิจารณาเพื่อปล่อยชิ้นไม่ได้พิจารณาเพื่อให้ให้เห็นโทษถ้าเห็นโทษของมันหาทางออกไม่ได้มีแต่ต้องการยึดว่าเราได้ฌานเราได้สมบัติอัตตาตัวตนเต็มแปี่อยู่ในนั้นไม่ได้พิจารณาเพื่อปลดเพื่อปล่อยทพก่อเรื่องเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นลักษณะว่าโอ้ ธรรมชาติท SI an well. ั้งหลายทั้งปวงเนี่ย่อมเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยร่างกายของเราเป็นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนอย่างร่างกายของเรามีใจครองก็ตามแต่เราไม่อยากแตกร่างกายก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราไม่อยากเจ็บร่างกายก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราไม่อยากตายร่างกายก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเพราะกายนี้เป็นกาย ข, ข้าค่าจําพุทธสุดโอมมีไวเจอมเจอรอนเจมพีแล้วก็เสื่อมมีไวเจอแล้วก็มีวัยเสื่อมแล้วก็หมดอายุไขบางทีไม่หมดอายุไขหรอกถึงพลาดเก็บค่าได้ป่วยถึงขั้นรุนแรงยูไม่ได้แบบตายตกต้นไม้สูงสูงลงมาก็ตายของหนักพังลงทับก็ตายเจอยาพิษเป็นพิษเป็นสงกับอัตราร่างกายก็ตายโนยินโดนฆ่าด้วยอะไร ยังไม่หมดอายุไขก็สามารถตายได้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าทุกสีทุกอย่างเป็นประการเหตุเป็นประการปัจจัยอย่างนี้และลักษณะของมันไปเปลียนเป็นประการใจหวังเป็นตามชอบใจก็ไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปแล้วก็ดับไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นทุกขขันเป็นอนิจจ์เอราเรายึดอะไรไม่ได้สักอย่าง ด้วยเหตุที่เรายึดไม่ได้นี่เองมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตปรียดตนของเราถ้าเป็นเราเราจะต้องยึดได้แม่แก่อยาแก่นะยาเจ็บนะย่าตายนะต้องบอกได้ด้วยเหตุที่เรายึดไม่ได้นี่เองไม่มีอัตตาเป็นอัคนตาด้วยอุบายวิถีที่เราทรงที่จะงานอย่างนี้ จึงทําให้พระองค์เข้าถึงความละเอียดของธรรมปลอยอัตตาตัวตนที่ถือตัวเพื่อเสวยความสุขเหล่านั้นปลอยปลกละวางเสียได้ทําให้พระองค์ถึงประมังสุขขันได้เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวหมดจากสิ่งเครื่อบแส้เพื่อเป็นเหตุให้ยิ่เราเกินคิดฉิมานะยึดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้วลอยได้หมดละได้หมดวางได้หมด เป็นผู้รู้รวมเดียวเป็นผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสันฐานตายแล้วไม่เกิดอัตภาพร่างกายตายไปจิตไม่ได้ไปจับจองตามอำนาจของกัญหาไม่มีไม่มียึดไม่มีถือยึดมัน่นถือมั่นด้วยอุปาทานรู้สัญญารู้สันฐานรู้วิญญาณรู้นามรู้รูปปลอยวางได้หมดวางคำได้หน้าวางได้หมด วางความยึดติดของจิตวางได้ทั้งหมดค้นทุกข์้นโทษเป็นเนจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ตื่นเป็นจิตที่รู้เป็นจิตที่พ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงอธิบายวิธีที่พาาระพุทสอนแต่การที่เราจะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้เราจะต้องตั้งใจบำเพ็ญเราเรียนรู้เฉยเฉยเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะรไม่ได้ตั้งใจลงมือทาเหตุอย่างจริงจังพอเมื่อเราเรียนรู้เราเราก็ตั้งใจตั้งใจบำเพ็ญกระริ่ศีลให้ยิ่งกรเริ่มสมาธิให้ยิ่งเจริญปัญญาให้ยิ่งจะกลายเป็นปัญญาอยางรู้เห็นอนนีจังทุกขณะนับต่าได้เกีเ่ยงเครื่องได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราอเองเจอการเบื่อหน่ายคลายจางจัดความรู้สึกทั้งหลายทั้งตัว ส่วนที่เป็นทูตสันตานส่วนที่เป็นน้ำก็ต่าปล่อยวางทิ้งหมดจิตดวงนี้ก็ถอนก็มาถอนก็มาถอนเหลือแต่จิตดวงเดียวโล่ไม่เป็นสอ่งกับสี่ใดไม่มีสังขารไม่มีกองสังขารเจโพธโมตัญหาเกิดไม่ได้เมื่อตัญหาเกิดไม่ได้พบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีมีไหมว่าว่าพระอาจาท่านไม่เกิดท่านไม่เกิดด้วยเหตุนี้ เมื่อไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บแล้วก็ม่มีตายไม่มีวิโรธไม่มีข้าวไม่มีโศกอะปริเทวะทุกขัดทมนัสจักรปายาความทุกข์ความทุ่มควรความราพันร้องให้ทุ่มครวนราพึงราพันอลไรแบบไม่มีโอ้มึงจะแก้ยังไทุกข์เหนืยวใจแห่งใจเหนียวใจทุกข์ระทมตรมกรองใจคำว่าโศกะปริเทวะทุกขัดโทมนัสจัก ทุกทั้งหลายทั้งตัวนี้มันเกิดขึออ้นจากเรามีเราเกิดแล้วเมื่อเรากอ่อมเราวางหมดเราไม่มีไม่มีเราเราไม่เปลี่ยนไม่เป็นเราทุกอย่างางมันอยู่เป็นตามหลักธรรมชาติไม่ต้องเกิดขึ้นไหนดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันต์กาลไม่มีการเวลาเข้าไปจำกัดไม่มีพบมีบุญที่จะเข้าไปจากัดไม่มีอายุไขที่จะเข้าไปจากัด ที่เขเรียกว่าอนันตาการอนันตากามีการเป็นประมาณไม่มีประมาณรูย้ยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่ใช่อยู่ๆมาแล้วก็เสื่อมอยู่ๆอยู่ไปแล้วก็พลิกตัวไปเป็นเสี้ยวอื่นไม่ใช่จิตวเจ้าณท่านแช่ได้ท่านล้างได้พระสงฆ์สาวกพระอริยะาวกท่านแช่ได้ท่านล้างได้ท่านต้องได้เห็นเต็มเส้นด้วยยาหน้าทัศน์ของท่านเีงจึงจะถอนได้ถอนได้ละได้ปล่อยได้วางได้ การที่เราจะเข้ามาบนเพลิงได้ด้วยความสะดวกสบายท่านจังมีออกจากบ้านจากช่องออกจากฝุ่นลละอองออกจากทุบลีละอองเช่นอย่างเราออกมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่บําเพ็ญในวัดในวาในป่าในเขาในถ้ำเนื้อมผาซึ่งเป็นที่สงบเป็นที่สงบเราออกมาอย่างนี้ได้เราถือว่าเราออกจากกองฝุ่นทุบลีละออง เพราะเราเราอยู่บ้านอ่ะมันเหมือนแต่เราอยู่ใกล้ฝุ่นใกล้ทุเรียใกล้ละอองที่ฝุนทุเรียนละอองก็หมายถึงชั้นยาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะทำให้เราเกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างมิจฉาบ้างทิศเสียบ้างอะไรอารมณ์ร้ายกาลรุนแรงบ้างอะไรบ้างสับเพระแล้วแต่มันจะมีเดี๋ยวเอะแยะคนนั้นเดยอะดีใจคนนี้เยอะโกรธคนนี้เ๋ยวด่าคนนู้นอะไรสารพัดจริงเหนี้แหละเป็นเหมือนฝุ่นทุเรียนละออง เราออกจากบ้านออกจากช่องออกมาบวชออกมาบำเพ็ญดีไฟมีเผาเหมือนเราออกจากฝุ <the> <anyway> like, ่นทุเรียนละออกออกมาแล้วเราก็ไกลจากฝุ่นทุเรียนละออกแล้วก็พยายามทําจิตของเราให้ปลอจากฝุ่นทุเรียนละออกเพราะฉะนั้นความสงบจึงเป็นความจําเป็นที่เราจะขับต้อนฝุ่นทุเรียนละอองไม่ให้มันมาเ่อะมาแจของเราได้ตราบใดที่จิตของเรายังจิตเรื่องรูปเรื่องเสี่ยนเรื่องกินเรื่องร้เรื่องสัมผัสมันก็ว้าวุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้น กลายเป็นสัญญาอารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นฝุ่นเป็นทุลีเป็นละอออกมาเกาะหัวใจของเราเจะทําให้กิจกรรมเพิ่มเพิ่ดีใจบ้างเสียใจบ้างราค่าบ้างโทษสาบ้างอิจฉาที่เสียพยาบาทสรธพัฒน์และแจะยุให้เกิดเนื่องจากมันขัดข้องกับฝุ่นทุลีละออนเรามาอยู่ฝ่าอยู่เขาตั้งใจบาเพ็ญเช่นอย่างเรามาเป็นสมเณรมาเป็นพระอย่างนี้ถ้าให้เรามี อาชีพแตกต่างจากชาวบ้านอาหารปุ่มบาบไปบินสบายในบ้านได้ของสําเร็จพระบมาเข้าปากไม่เลยฉันเข้าปากไม่เลยที่อยู่อาศัยสมัยดั้งเดิมแท้ๆพระเจ้าท่านชี้ไปที่ขวดไม้ตอนหลังมาถ้าใครมีสติมีวิหารมีที่อยู่มีที่อาศแบบัยหลบแดดหลบฝนได้ ยา yeah. ทันชี้ไปที่น้ำมุดเน่าทันชีไปที่เปลือสัตว์อันนี้เป็นสิน่งจำเป็นสำหรับชีวิตยางนุ่งหอมทันชี้ไปที่นุ่นผ้าปังสุกุนเมื่อก่อนนั้นท่านให้รับนั้นดีให้อยู่โคนไม้ให้เที่ยวบินพบาทให้ฉันน้ํำมุดเน่า น้ำมุดเน่าให้นุ่งห่มผ้าบางสุกุนนั่นดั้งเดิมแท้ทิฏยทสญาติแต่ตอนหลังมาพระอง์ก็เมื่อตาลูกขิ้นนะให้มีการรับจากพระอหักบดีได้<ม>ยุทธ บ, บาจากบ้านของคนมีอาหารมาใส่บาท<ม>เอาผ้าจากพระฤหับดีจีวรเอายาจาก ผู้มีศรทัทธาถวายหยุดถวายยาเพรก็ยา่ก้แก้โรคที่อยูอ่ อ, อาศัยก็อาศัยคนมีศรัทธาไปสร้างที่อยู่ให้หลังเล็กบา้างหลังใหญ่บ้างเพื่อให้เราได้อยู่ได้ความเพลินสะดวกสบายเจริญเสมีธรรมเพราะฉะนั้นการออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้จึงมีความจำเป็นพวกเราชาวพุทธเราก็มีความเรื่องสายศรัทธายึดเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียม มีลูกให้บวชมีหลานให้บวชมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนให้บวชหมดมีลูกชายสองคนสามคนให้บวชหมดบางทีก็ยังฝากไว้กับพระพุทธเจ้าอีกสักองค์นึงเนี่ยหมายว่าให้อยู่ไปตลอดไปให้สึกอยู่ไปบําเพ็ญไปได้ความสงบไปได้สติไปได้ปัญญาไปได้กัดได้ทําได้มรรคได้ผลได้คุณสมบัติทางสมณธรรม มีความ เ, เป็นไปอย่างนี้ทั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเข็ดหลาบในกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะมาสบสอยหาทางพ้นทุกข์ใจของเราเริ่มสงบใจขางเราก็จะเริ่มค้นจากทุกข์เริ่มหยุดเริ่มชะลอความทุกข์ได้ใจของเรารู้สาเหตุในกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพิงจารณาด้วยปัญญาสามารถลดได้ละได้วางได้เป็นเหตุให้เราได้ปัญญา การเราการเรามาศึกษาสิ่งเหล่า น, นี้ทำให้เรารู้เท่าทันกนบายมายาของกิเลสสามารถหยุดชะลอกิเลสได้งดกิเลสได้รั้ครับกิเลสได้กิเลสใหม่ไม่เกิดกิเลสเก่าพยายามขูดขุดออกพยายามดึงออกพยายามถอนออกเหมือนเราุดรูรั่วไหมน้ําใหม่มันเข้าน้ําเก่าเราก็พยายามวิดออว่ดต่ อ, อวิดออว่ดต่ อ, อวิดออว่ดต่อ ใจของเราก็เราจะเพียรมันก็ไม่แปลงอะไรกับเรือที่เรานั่งข้ามฟ้ามันมีรูทุนรูฉลุตัวหมดโดยเฉพาะตัวเรารูก็คือรูตาหูจมูกลิ้นใจใจแต่ละรูแต่ละรูแต่ละช่องมันจะทําให้เกิดลัญหาพลักระเข้ามาตาหูจมูกลิ้นใจใจพลักระเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกใจระวังตาที่อาใจมาระวังระวังหูจมูกลิ้นที่เอาใจมาระวัง ระวังใจกับใจระวังระวังสำรวมระวังไม่ให้กิเลสมันเกิดเมือ่อกิเลสมันเกิดเมือ่อกิเลสไม่เกิดความมดืดมืดก็กกไม่มีความชุบชุบก็ไม่มีความสว่างของจิตก็เริ่มมีความสงบของจิตก็เริ่มมีความสว่างของจิตในทีนี้มหมายว่าจิตเรมีสติดีมีปัญญาดีเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัย เ, เ, เ, เป็นเห็นได้เกิดกิเลสเป็นเห็นได้เกิดธรรม มีความรู้มีความเข้าใจมีความสามารถทำให้เราโ้วิธีปลดเคลื่อนความทุกข์ออกจากหัวใจของเราได้เพราะฉะนั้นการถือบวชจึงมีความจำเป็นเพราะเราอยู่จำเป็กับฝุ่นทุเรศออกมันมืไหวแล้วแม้แต่โบราณอาจารย์<ม>เป็นมหาศาศาตระแท้เนี่ยเห็นว่าผมงอเห็นว่าผมงอสลาราชสมบัติ ออไปบำเพ็ญทศกุมิจันทร์ในป่าถือบวชบวช็นถือศีลชีพใยอยู่ในปา่าเพื่ออะไรเพื่อบําเพ็ญฌานสมาบัติยุคสมัยพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า เ, เจริญสมถะเจริญฌานเจริญสมาบัติและก็ควบไปด้วยวิปัสนาวิปัสนาคือการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลาหาช่องทางเพื่อที่จะออกออกจากกองทุกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ จนสามารถเกิดปัญญาเกิดปัญญายาเกิดวิปัสนาเกิดวิปัสนาญามีความอย่างรู้ว่าเราได้คุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นเจ่มแจ้งเหตุให้เกิดทุกข์เห็นเจ่แจ้งกองทุกข์เห็นเจ่มแจ้งเหือให้เกิดทุกข์พยายามตั้งอกตั้งใจฝุดขับดับแลงขัดเกลาห์ุนอยู่กับองค์มรรค อะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับกิเหลืสทั้งหลายเบาไปบางไปดับไปเป็นโรคเข้าในหลักของอริยสัจสิ้นทุกข์สมุทยัยมีโรคมัดนี่นะพูดถึงความจเป็นความจเป็นมีอย่างนี้เ ป, นเป็นอย่อยางนี้เพราะฉะนั้นพวกเราส่วนมาแล้วไม่ได้บวชโบราณอาจารย์กันถือว่าเหยียบแทนดินผิดเอ๊ะ มันยิ่ใหญ่โตนักหนาทําไมเราเหยียดฉิดคือเราไม่ได้เข้าสู่หลักคําสอนยังเป็นคนดิบเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจมาบวชเวลาสิ้ไปเขาเด็กทิดทิดทิศอีกแล้วว่าบัณฑิตคาว่าบัณฑิตหมายถึงว่าเป็นผู้รู้สิ่เป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้มีสิ่เป็นผู้มีธรรมเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเพราะว่ารู้สิ่รู้ธรรม ไม่ใช่เป็นมันดุบโดยประกาศสนิบัติเหมือนอย่างที่เราเรามีตอนนั้นเป็นพักตั้งเปนฉายาของผูร้รู้เรียนรู้มากเข้าใจมากแต่บางครั้งไม่มีสินไม่มีธรรมยิ่งรู้มากก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองมากยิ่งรู้น้อยถ้าเผือไม่ใช่ธรรมก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองมากขึ้นกายของเรา ทั้งดุลจิตของเราทั้งดวงตกเป็นเมืองเมืองขึ้นของเกเียดกันหาอาสวะทั้งหมดมันเอาไปฉลุ่งทั้งหมดจิตทั้งดวงเป็นมิจฉาทิฏฐิมืดตื้อ 4, หมดทั้งดวงไม่มีความรู้สว่างสวายอะไรความเป็นอยู่อายกินกรรมขอ ง, งเราก็ทุกที่อับซ้ายก็ทุกเทียบขวาก็ทุกนักนักเข้าคุณสมบัติเหลือความเป็นมุดไม่มีพอตายแล้วเป็นจัดเยริชาน ตาและตกอบอายขูมเป็นเปรตโดยสารรกหาความสุขไม่ได้ถูกจองจําถูกทรมานแค่ที่คือจิตของคนเราจิตคือผู้รู้ของเรามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่าง น, นี้เราเริ่มต้นไปจากการต้งใจทขาหนาให้ใจได้รับความสงบอันนี้เป็นการมาเริ่มต้นเพื่อทําให้เรารู้รู้ว่ารูปเสียงจิตขคนพระธรรมารมีเหล่านั้น เป็นเปรือกสมุนฝุ่นผู้ลืละออนถ้าจิตของเราไม่มีปัญญาสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษแต่ถ้าเรามีปรรัญญารับพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เปลือกวิปัสนาเปลืวิปัสสนษษาญ า, าแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะเป็นช่องออกเขาต้องเกลกี่ยข้างขามันชักจิตของเราดึงจิตของเราออกออกไปใช้ตามอำนาจวาสนาของมัน ถ้าเรามาเรียนรู้เข้าใจตามนี้อย่างนี้นี่แหละบัณฑิตภูมิของบัณฑิตรู้สิ่งเหล่านี้รู้ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถ้าผมตั้งใจทมการนี้ประพฤติการนี้ปฏิบัติการนี้เรากลายเป็นคนเหยียดแผ่นดินถูกรู้ข้อปฏิบัติรู้ที่หลบรู้ที่หลีกเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสรุปลงมาพที่จะให้ความสําคัญความสุข แต่ความสุขที่พระองค์ทรงสอนนั้นเป็นความสุขที่หาได้ได้ง่ายหาได้เร็วไม่เหมือนความสุขที่เราเสวงหาโนที่ไม่แท้จริงของพระองค์เราให้เห็นความสุขง่ายเพียงแค่ไปหยุดไม่วิ่งตามรูปตามเสียงตามกลุ่นตามรถตามสัมผัสหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจะจีบเริ่มสงบมาจีบให้เจริญเป็ความสุขเห็นความสุขได้เร็ว ถ้าเราไปสอบเสวยหาทรัพย์สมบัติบางทีทั้งวันทั้งคืนเราไม่ประสบผลสําเร็จความสุขยังไม่เกิดขึ้นเลยบางทีก็ได้บางทีก็เสียบางทีก็มีคนเสรสิมฉองระหว่างเขาเป็นคนมีนาบบางทีนาทีนี้มีความสุขโอ้นาทีข้างหน้าทุกมหาสาลมาทับผมแล้วมันไปเรื่อยๆไม่แน่นอนก็เห็นใจไมื่อน่นอนผลที่จะฟืนได้มาไม่แน่นอน เพรฉนันความเป็นอยู่ของจิตของเราจนสุกบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุบบ้างรวมลงแล้วคือสุบสุบบิดบิดนั่นเองดังนั้นไม่เหมือนวิีการที่คุณเจ้าคุสอนคุณอาจารย์ไม่สอนให้เราวิ่งการยุดโยกที่ให้สงบโยกที่ที่สุความสงบอยู่ที่นเป็นกลางสามารถอาภิจารณาเป็นเหตุเป็นกับใจเป็นพลังสำรองเพื่อจทําให้เรารู้เห็นปัญญาแจ่มแจ้งชัดเจน เพราะฉะนั้นศีลจึงมีความจําเป็นหนุนสมาธิสมาธิมีความจําเป็นหนุนปัญญาปัญญามีความจําเป็นหนุนให้เราพิจารณาเห็นทุกเหตุทุผลและสะนทุกคโทษได้ในที่สุดที่มีความเป็นไปความเป็นมาเราทราบอย่างนี้แล้วร่างกายต้นตอก็ตั้งหกตั้งใจติดฝนอบรมตั้งใจบำเพ็ญเพื่อได้รับความสงบสงัดเพื่อความสุขเพื่อความเจริญ